เมื่อวานมีกันบ้านจะส่งไหมมีก็ส่งนะค่ะเมืม่อวานที่นั่งนั่งกรรมฐานนะคะฟุทโธแล้วก็เห็นเกิดดับมีไปนั่งต่อเนื่องเห็นเกิดดับโปร่งเบาสบายขึ้นงเหมือนบังคับไม่ลงตามที่หลวงพ่อแนะนํานะคะแต่ว่าเห็นตัวโทสะเหมือนความหมงุดหงิดในการที่เห็นตัวหลงเกิดดับเหมือนหงุดหงิดว่ามีตัวลงอยู่เรื่อยๆค่ะ ก็รู้ดูปัจจุบันไปที่แรกตัวหลงเป็นปัจจุบันพอเห็นตัวหลงแล้วก็เกิดโทสะโทสะเป็นปัจจุบันให้ดูให้ถูกตัวตัวหลงเป็นอดีตไปแล้วตัวที่มีบทบาทเด่นคือตัวโทสะให้ดูตัวที่กำลังมีบทบาทในแต่ละขนาดจิตนะ จะประกอบด้วยจะมีองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยจำนวนมากมันเหมือนในละครเวทีในละครบนเวทีละครเนี่ยมีตัวละครจำนวนมากแต่ในแต่ละขณะเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมีบทบาทหลักเวลาเราดูละครนะเราจะไปมัวดูตัวประกอบไหมแล้วก็ไม่ใช่ไหมแเรวก็ความสนใจของเราเป็นตัวหลัก ตัวหลักอาจจะไม่ใช่พระเอกนางเอกก็ได้อาจจะเป็นผู้ร้ายนางอิจฉาก็ได้แต่กําลังมีบทบาทหลักเหมืมอนเวลาเราดูจิตใจเราเนี่ยสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตแต่ละขนาดเนี่ยมีจํานวนมากแต่ว่ามันจะมีตัวซึ่งเป็นเรียกเป็นหัวหน้าเป็นหัวจบดูตัวเนี้ยตัวอธิบดีตัวตัวใหญ่ที่สดุดที่มีบทบาทหลักเพราะงั้นอย่าง จิตหลงนะจิตหลงเนี่ยเราเห็นจิตหลงจิตหลงจิตหลงเป็นตัวหลักหนะลงอยู่สภาพัหนึ่งจิตโกรธเกิดขึ้นจิตหลงเป็นอดีตไปแนละ้วตัวหลักคือจิตโกรธดูให้ถูกตัวไปดูผิดตัวเพราะมัวแต่ไปดูละครนะมัวแต่ไปดูอะไรซึ่งมันไม่ใช่มีบทบาทในขณะนั้นดูละครไม่รู้เรื่องอ่ะค่ะทีนี้พอตอนกลางคืนนะคะ ก็นั่งกรรมฐ า, านเหมือนเดิมแต่ว่าหลับตาบมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นนะคะเหมือนเห็นจอสกรีนแล้วมันกระพริบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยไม่สามารถที่จะแบบเราไ ม, มไม่ได้บังคับน ะ, ะเราก็รู้ว่าจิตกาลังฟงุ้งซ่านแค่นั้นเองตัวปัจจุบันคือฟุ้งซ่านเราจะไม่มีการนั่งแก้จิตอย่างนี้จะแกอย่างนี้ นะหรือจิตย่างนีด้ดีแล้วจะรักษาอย่างไรไม่ทำํำก็คือตอนนั้นก็เลยหยุดผักแล้วก็ทํากิจกรรมไม่เหือนไปค่ะอย่างไงก็ได้อะต่อไปกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโนเห็นอัตตาตัวตนของตัวเองใหญ่มากเลยเยอะมากค่ะเออชักเก่งแล้วนะหลวงพ่ออยากจะบอกแต่เมื่อวานแะล้วเกรงใจค่ะไปดูนะตัวนี้น่าเกลียดนะ ตัวตาเนี่ยพอเรารู้จักนะนํามันน่าอายมากเลยน่าอายที่เราเซลยวจัดอย่างเงี้ยหนุ่มคนนี้มันแข็งแรงจริงนะใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวเก่งขาสั้นเรานาวชิบีายแล้วน้ำพระสการครับหลวงพ่อเมื่อคืนนะครับตอนที่พยายามจะนอนนะครับเห็นว่าใจมันปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นแล้วก็ พอปั่นไปได้สักพักมันก็มีเรื่องหนึ่งออกมาอีกเรื่องหนึ่งออกมามันมันคิดฟุ้งไปเลยแล้วมันหมุนหมุนอย่างไงนแหละแล้วก็เหวี่ยนออกมาเป็นเรื่องเรื่องไปแล้วมันก็มันก็เหมือนนอนไม่หลับเพราะมันแน่นมากเลยแล้วก็เลยดูไปเรื่อยๆครับพอดูไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนว่าไอ้ใจที่มันปั่นอ่ะอยู่ๆมันก็หยุดปั่นแล้วมันก็เหมือนแลนดิ้งลงไปครับแล้วมันก็ดับไปหมดเลยแต่ว่าตัวที่ดูก็ยังดูอยู่อีกักพักหนต้องเขานำต้องอย่างนั้นสิ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมต้องมีตัวดูอยู่ถ้าไม่มีตัวดูเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติแลนะแต่ว่าไม่มีตัวดูก็หลับแต่ว่าตอนที่หลับอะครับฝันอยู่ครับแต่ว่าตอนที่ฝันอะไม่ไม่ไม่รู้ตัวแต่ตอนที่ตื่นมาแล้วเพิ่งรู้ว่าฝันนะครับแต่อยากอยากจะถามหลวงพ่อว่ามีวิธีทำให้เราเท่าทำถ้าคืนนี่ไปรู้ในฝันเดี๋ยวไม่หลับ มันเป็นธรรมชาติจะไปฝืนมันเอาไว้เวลาฝันเรื่องน่ากลัวอะไรเนี่ยหรือฝันเรื่องที่มีอารมณ์รุนแรงนล้วสติมันจะเกิดเองฝึกไปดีขอบคุณครับนวับบสการขลวงพ่ อ, อก็เห็นตัววิตกกังวลมาที่นี่ก็จะเห็นตัวนี้ใหญ่มากเยอะมากเวลาวิตกกังวลเนี่ยจิตใจมีความสุขไหม เออไม่ไม่สุขกมเแล้วมันอยู่ในตระกูลโทสะโทสะเวลาเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขถ้าราคะเกิดบางทีมีความสุขนะแต่ถ้าโทสะเนี่ยจะทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูไปดัน้นจิตมีความสุขบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็มีราคะแต่จิตมีความทุกข์เนี่ยเป็นอกุศลแน่นอน จิตอุเบกขาก็เหมือนกันนะเป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นกุศลมีอุเบกขาก็ได้อุเบกขาแบบซื่อบื้อมีโมหะก็ได้นั้นค่อยๆเรียนค่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกที่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้รู้ถูกเข้าใจถูกหรือนะเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นเอง ถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาตอบเขาให้ได้นะสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสนานะเราเรียนเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเ่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงกับกายกับใจนะรู้เต็มที่แล้วก็าวางมันปล่อยเองวางเองก็พ้นทุกข์ คำสอนองพระเจ้าตรงไปตรงมาชัดเจนนะไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาพลิ้วไปพลิ้วมาไม่มีมีแต่ตรงไปตรงมาอยู่ที่เราจะเข้าถึงความจริงอนั้นได้ไหมเท่านั้นเองเราปฏิบัติในแนวทางที่ท่านสอนนะจเจริญสติไปเรื่อยๆนะฝึกสมาธิฝึกสติให้ดีแล้วก็ขยันอย่ายอมแพ้กิเลส ตองขยันไม่ยอมแพ้กิเลสเรามีสัมมาวายมะตรนที่เราพยายามฝึกสติรู้กายรู้ใจอยู่เรียกว่าเรามีสัมมาสติตรงที่เรามีจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิการฝึกจิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพุทธแจกแจงตามอง์มากก็คือการฝึกในเรื่องสัมมาวามะความเพียรชอบ เพียรลดลากิเลสเพียรปิดกั้นอาคุศลไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญนี่เรียกสัมมาวยามะเมื่อนี้ยไปนอนจมนอนแช่กิเลสอยู่ไม่ได้นะไม่ใช่นักปฏิบัติบางคนบอกไม่ยึดถือใจมีแต่โมหะมืดมัวไปหมดเลยเราบอกไม่ยึดถือไม่ยึดถืออย่างนั้นไม่ยึดถือแบบซื้อบื้อไม่มีสัมมาวยามะ พระพุทธเจ้าบอก ใ, ให้ให้ละกิเลส ท, ที่มีอยู่นะแล้วก็ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเงินไม่ใช่รู้เฉยๆซือบอเือไปแล้วแต่เป็นแตก ร, รมไม่ใช่ชาพุทธเป็นกรรมวาทีเชื่อเรื่องการกระทาต้องกระทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยมีวิริยะวาที มีความภาคเพียรที่จะส่อสู้ลดละกิเลสเจริญกุศลเพาะั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมาวาทีสอนเรื่องเหตุผลเป็นวิริยะวาทีสอนให้เรามีความเพียร น, นี่มีความเพียรแล้ววิธีที่จะเพียรลดละกิเลสเจริญกุศลทำยังไงก็มีสติเรื่อยๆไปแล้วก็ฝึกมีสมาธิ สัมมาวยามาการที่เรามีความเพียรลดละกิเลสเจริญกุศลเนี่ยจะทำให้สมมามราสติบริบูรณ์สติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะว่าเราไม่ยิ่งนอนใจจมกิเลสอยูใ่ในพระไตรปิฎกมีนะสัมมาวยามาที่ที่บริบูรณ์ที่ดีจะทำให้สมมามราสติบริบูรณ์ นี้พอเรามีส oh, okay. ัมมาสติบริบูรณ์แล้วสัมมาสมาธิจะบริบูรณ์ด้วยสัมมาสติเช่นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บสมาธิก็เกิดรู้บ่อยๆสัมมาสมาธิจะบริบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิบริบูรณ์แล้วเนี่ยสัมมาญาณะความอย่างรู้ความจริงจะเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้น เมื่อสัมมาญาณะปริบูรณ์สัมมาพิมุตติก็จะปริบูรณ์เกิดขึ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเพราะฉั้นเราก็มีหน้าที่น ะ, จะเจริญอยู่ในองค์มรรคนี่แหละพักเพียรไปองค์มรรคมีแปดตัวมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนี่เป็นส่วนของตัวปัญญานะมีความเห็นถูกเม่อมันมีความเห็นถูกมันก็คิดถูกถ้ามันเห็นผิดมันก็คิดผิด เพราะงั้นสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์ก็จะทําให้สัมมาสังกรประคือการคิดนี่ถูกต้องด้วยพอเราคิดถูกคําพูดของเราก็จะถูกสัมมาสังกรประที่บริบูรณ์ขึ้นมาก็จะทําให้สัมมาวาจาบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวาจาบริบูรณ์สัมมากัมมันตะจะบริบูรณ์การกระทําจะบริบูรณ์จะสมบูรณ์ทําได้ถูกต้องทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะการที่ เราคิดเราพูดได้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะชี้นำพฤติกรรมทางกายการเคลื่อนไหวการทำอะไรต่ออะไรนะกิจกรรมทางกายจะถูกต้องสัมมากัมมันตะก็จะเกิดขึ้นคือเราจะมีศีลข้อห น, ะนึ่งสองสามมีศีลขึ้นมาสัมมาวาจาเป็นส่วนของศีลข้อสนีะ่นี่พอเรามี เนี่ยสัมมามาหลายตัวแล้วมีความเห็นถูกเห็นถูกทำให้คิดถูกคิดถูกทำให้พูดถูกนะคิดถูกพูดถูกก็ทาให้การกระทาถูกเพราะคิดไม่ถูกหาตื่ได้ทำผิดนะคิดถูกก็ไม่ทำผิดศีลหนอกนีความความเห็นก็ถูกความคิดก็ถูกการกระทาก็ถูกความพูดก็ถูกการเลี้ยงชีพก็จะถูกไม่ไปปริ้นล่อนหลอกหลวงไคเขากินหรอก แล้วการดำรงชีวิตสัมมาชีวะดำรงชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเกื้อกูลทำให้สัมมาวายมะสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเราไม่ได้หากินแล้วการทุจริตยอย่างเป็นพระเนี่ยไปเสษโน่นเสษนี่รถน้ำมนต์นะสะดอเคราะอะไรเงี้ยดูดูหมอบอกหวยอะไรเงี้ยนี่เป็นมิจฉามิจฉาชีวะสำหรับพระ ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยกุศลที่เคยมีก็จะดับไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดนะหากินผิดเนะีนะ่อกุศลที่ยังไม่มีเ็าจะเกิดมีขึ้นมาอากุศลที่มีแล้วก็จะมากขึ้นไปอีกเพาะฉะนั้นสัมมาชีวะเนี่ยทำให้ถูกต้องนะมันจะทำให้สัมมาวายามะเนี่ยถูกต้องนะถ้าพูดกับพระเนี่ยจะเห็นชัดเลย ถ้าพระมวัวแต่ผูกดวงดูดวงโน้นดวงนี่นะสอนเนี้ยคนก็นับถือฮือฮาหรือเศษน้อนก็ขลังเศษนี่ขลังนะคนก็เชื่อนับถือนับถือแล้วลืมเรื่องกฎแห่งกรรมคิดว่ามีของขลังแล้วคนยิงไม่ตายก็ละเลยการปฏิบัติเนี่ยพระอย่างนี้นะพระพอท่านทำผิดศีลอาชีวะของท่านไม่บริสุทธิ์การเลี้ยงชีวิตไม่บริสุทธิ์ การเลี้ยงชีวิตของพระที่บนสุดคือขอทานขออาหารเขากินนะทุกอย่างได้มาจากญาติโยมไม่ใช่ไปพอปลูกเองพอเลี้ยงชีวิตถูกเนี่ยกุศลที่ยังไม่มีก็จะมีกุศลที่มีแล้วก็จะเจริญกุศลที่เคยมีก็จะหายไปกุศลใหม่ก็จะไม่เกิดสัมมาชีวะก็จะทำให้สัมมาวายามาเนี่ยสมบูรณ์ พอเราจะลดละกิเลสเจริญกุศลดูจิตดูใจอยู่เรื่อยๆสัมมาสติก็จะบริบูรณ์ว่ารู้ทันจิตใจสติเราดีนะสมาสมาธิก็จะบริบูรณ์พอสัมมาสมาธิบริบูรณ์จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยสัมมาญานะความอย่างรู้ความจริงก็จะเกิดขึ้ น, นพอเราอย่างรู้ความจริงวิปัสสนาญาเราเต็มสมบูรณ์แล้วสัมมาพิมุติก็จะเกิดขึ้น ในสัมมาวิมุตติก็คือตรงเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นตรงอริยมรรคเนี่ยมรรคแปดตัวเนี่ยจะประชุมกันในขณะจิตเดียวเลยที่อริยมรรคส่วนไอ้มรรคแปดตัวที่เหมือนบันไดเป็นขั้นๆเนี่ยเป็นขั้นต้นของมรรคยังไม่ใช่อริยมรรคเรียงบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นของมรรคเท่านั้นเองแต่ตัวมรรคจริงๆเกิดตอนที่เกิดวิมุตต เอริยมรรคอริยผลเริยมรรคเกิดหนึ่งขณะจิตเทนะ่านั้นแต่ในหนึ่งขณะจิตนี่นะมีองค์มรรคทั้ง8ปดนี่ครบนะมีโพธิปักทีย์ธรรมสามสประการครบนะเกิดขึ้นมาคล้ายๆคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยรวมตัวเขาเ้าด้วยกันด้วยกําลังของสัมมาสมาธิส ม, มาสมาธิเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมนะเป็นภาชนะรองรับองค์ธรรมที่ดีทั้งหลาย พอธรรมะที่ดีทั้งหลายรวมตัวเต็มที่ใ้นจะล้างกิเลสไปเลยนะทำลายสังโยชน์ลงไปนะเนี่ยกระบวนการพัฒนาทางจิตมัเป็นอย่างนี้เราก็จะสมัมผัสพระนิพพานตันะ้งแต่เป็นพระโสโดา ข, ขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นพระนิพพานกนะ็ค่อยๆฝึกทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหลนะภาพเพียนไปฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องก็ไปเปิด u t ท b e ฟังแล้วฟังอีกนะ แล้วก็ดูของจริงไปวันนี้สมควรแก่เวลานะเสียงแห้งแล้วหลวงพ่อพูดไม่ได้หยุดเลยได้หยุดตอนฉันข้าวสิบห้านาทีเองตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยสองชั่วโมงแล้วหักออกสิบห้านาที